จริงข้ออัดข้อทำเนี่ยฟังเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้ข้อคิดแต่ถ้าฟังยาวๆเนี่ยจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าเวลาฟังอะไรยาวๆถ้ามันไม่เบื่อใดจิตก็เป็นสมาธินะมันเข้าสวดคาถาอะไรสักอยา่างสวดซ้ำๆสักซ้ำ ยาวนานไปพอทําใจได้สักหน่อยนี่มันก็เพลินกับการสวดจิตก็เริ่มเป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิแบบสมถะนะคือไม่ใช่สมาธิเกิดจากการรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่เอาจิตไปเกาะไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งทีนี้หลังจากนั้นเราก็เอาฝังเรื่อง ส่วนเรื่องของสังวราสังวระคถ า, าพูดถึงเรื่องความสมัมบูรณต่หูจมูกนินวกายสํารวมก็คือการมีสตินั่นแหละรวบรวมทั้งหมดมายอยู่กับการอริยบทกายเวลายืนเดินนั่งนอนการมีสติและลึกรู้เนี่ยเขาเรียกว่าสํารวม สำรวมรวมลงมาที่หนึ่งแล้วก็โฟกัสความรู้สึกมาที่การก้าวการเหยียดการยืนการเดินการนั่งและลึกลมตัวเวลาคือลดเงื่อนไขของทุกลงบ้างถ้าเราไม่สำรวมมันก็เหมือนเปิดประตูรับแขกผู้ไม่ได้รับเชิญเมื่อจะเข้ามา เข้ามาทางตาทางหูงทางจมูกดางรางกายพอเข้ามาแล้วมันก็เราฆ่ามันไม่ไหวหนถ้ามันเข้ามาในน้อยเราก็ได้ศึกษาได้สังเกตในน้อยเราก็ดับได้แต่ถ้ามันเข้ามาเยอะมากเราดับไม่ทันสติเราอ่อนความคิดความปรุงแต่งมันมากดับไม่ได้ มันอาจะดับได้ที่ช่วงแรกแต่ถ้ามันมากเยอะเข้าเยอะเข้ามาก่อยากที่จะสลัดดังนั้นการสำรวมยินเสียงจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติธรรมสำรวมไว้คือปิดตาสองลูกปิดจมูกสองรูปิดหูสองข้างปิดปากเสบ้าง แล้วก็ระลึลกรู้ดูใจมันก็จะเริ่มชัดขึนชัดขึนเพราะถ้ามันมีน้อยความทุกข์สิ่งที่เข้ามาน้อยมันก็ง่ายต่อการเพี้ยนเพงเผาสิ่งที่อยู่ในใจการทำความเพียนเนี่ยมันมีอยู่สองแบบนะเพียนละสิ่งที่เข้ามาทางตาหูาจมูกลิ้นกายที่มันเป็นปัจจุบันอันนี้อันหนึง่ง แล้วก็เพียงดับอุปทานที่ฝังอยู่ในจิตเราคื อ, อ น, นี้เราไม่ได้คิดคือไม่ได้กระทบปัจจุบันเลยแต่ว่ามันแวบขึ้นมาในใจเราที่เราเก็บไว้เป็นข้อมูลดิบๆที่ฝังไว้ในใจอันนี้ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินได้ฟังหนปัจจุบันนี้แต่ว่ามันเก็บไว้ในอดีตหมักหมมอยู่ในใจ เขาเรียกว่าเป็นกีเดต ท, ที่เป็นอนุใสนอนเนื่องอยู่ในใจเราสังเกตไหมเรามาปฏิบัติทำเมื่อก่อนเราไม่ได้มาไม่ได้ฝึกไม่ได้มีการสํารวมเราโกรธเกลียดรักชังเนี่ยเป็นปัจจุบันกระทบปัจจุบันแล้วก็เกิดอารมณ์ปัจจุบันชังคนนั้นดักคนนี้ โหนิทคนโน้นคนนี้เบื่อหนเลยแต่กระทบสภาพธรรมที่เป็นปัจจุบันแต่พอเราสำรวมไม่อะไรมันเข้ามามันกลับมีอะไรที่ฝังลึกอยู่ในใจนะมันพุดออกมาพุทออกมาทีนี้ทำให้เราเป็นทุกข์จันข้างนอกได้แต่ข้างในก็ต้องฆ่าเมื่อเราทำรั้วบ้านนะเจริญสติสำรวมนี่มันรั้ว ทำรอบไปวัวควายไม่เข้ามาแต่เชื้อโรคในบ้านเราก็มีที่มันเข้ามาก่อดแล้วนะพวกเข็บพวกหมัดพวกเม็นพวกอะไรต่างๆพวกงูเยี้ยเคี้ยวคอนะที่มันเข้ามาก่อดแล้วนะแต่คือตอขะขาบพวกนี้เราจะฆ่าพวกนี้ด้วยปิดรั้วไม่ให้มันเข้ามาทํากำแพงรอบไปแล้วมันไม่เข้ามาละแต่ก็ต้องเพียรพยายามเพื่อน ดับไอสิ่งที่มันเข้ามาก่อนถามว่าสิ่งที่เข้ามาข้างนอกกับสิ่งที่ฝังอยู่ข้างในเนี่ยอันไห น, นยากกว่ากันนั่นแหละคือหน้าที่ของมนุษย์ที่เกิดมาจะต้องทําหน้าที่ในการชําระล้า ง, างจิตตัวเองชําระล้างล้างจิตตัวเองแล้วจิตเราเนี่ยมันไปนโดนอะไรก็ไม่รู้นเกลือกลัวไปหมด เดือดจุกมนางสร้างยังหวะได้เรืร่องรู้ก็ปรากฏว่าความคิดถูกออ ก, กมาเนะ่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ลืมไปแล้วทํางานทําการใหม่ๆเนี่ยจากความคิดใกล้ๆตัวสวงคิดใกล้ๆเนี่ยมันล้างออกล้างออกแล้วก็ไอ้ที่ผ่านเข้ามาเมื่อวานหรือวันก่อนหรือในที่ทํางานทําการที่ใหม่ๆเนี่ย พวกนี้จะออกไปก่อนค่อยๆล้างออกล้างออกนานเข้ามันจะลึกลงลึกลงจะเริ่มสาดต้ไปที่อดีตแลยทีเนี้ยอดีตแต่เล็กแต่น้อยอย่างโน้นอย่างนี้มันจะเริ่มมันจะล้างพวกนี้ออกได้ด้วยแต่ถ้าสติน้อยแค่ความคิดตื้นๆอดีตอนาคตเมื่อไม่กี่วันผ่านมาความปรุงแต่งตื้นๆ น, นี่เราก็ออกไม่เป็นนี่ เพราะอะไรเพราะว่าเราจะปรุงแต่งเพิ่มปรุงแต่งเติมมันเข้าไปเรื่อยๆแล้วจบไม่เป็นดังนั้นไม่ว่ามันจะมามากน้อยแค่ไหนก็ต้องพยายามทาต้องพยายามพัฒนาสติสัมปชัญญะนีให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นการสํารวมตาหูจมูกดินกายช่วย เพื่อป้องกันมันรัวบ้านการมีศีลเหมือนกันเป็นรั้วแต่ว่าไอ้ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันต้องอาศัยพลังของสติสัมปชัญญะที่เป็นวิปัสสนานะไอ้นี่ถ้ามันไม่เกิดวิปัสสนามันก็นล้างจิตไม่ได้อย่างความง่วงนี่ที่อยู่กับเรามานานานๆเราจะไปกั้นยังไงกันไม่ความง่วงข้างนอกเข้ามาเลยไม่ใช่ มันเกิดจากข้างในอันนี้สัมรวมยังไงแล้วมันก็นยังง่วงอยู่ดีเร่องเขาเรื่งนี้วันนี้วอนไงเราจะดับพวกนี้เดี๋ยวนี้ยอที่อยู่ข้างในครับถ้าสติน้อยดับพวกนี้ไม่ได้ความคิดความพรุงแต่ง ง, งุนหงิดอึดอัดเนี่ยคัดเคืองเบื่อได้มันแว บ, บขึ้นมาเลเนี่ยงั้นสติอันนี้ต้องเป็นเป็นสติ สัมมาสติหรือสติปัฏฐานสติและลึกรู้อยู่ในฐานทั้งสองวิฐานกายกับฐานจิตนี่นะี่ดูมันจนทั้งว่าสติมีอำนาจถ้าเปียบเหมือนหัวเจาะก็ต้องเจาะลงไปลึกได้ถ้าใช้เสียมมันก็นจะตื้นๆ น, นะถ้าเสียมในระดับที่เขาขุดเสาไฟฟ้านะ่ยยิ่งลึกหรือหัวเจาะที่เขาขุดเจาะน้ํามันก็ยิ่งไปไกลเจาะน้ําบาดาลเลย มนแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะมีความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือได้มากน้อยแค่ไหนถ้าพัฒนาได้มากก็เจาะลงได้ลึกก็จะเห็นสิ่งที่มักห ม, มมอยู่ในใจเรานี่มากทีนี้ก็ไม่หนูหมายครับว่าการเจาะแล้วจะปลอดภัยนะบางทีเจาะจือเนี่ยแล้วเจาะแล้วก็ยังมีปัญหาเราขึ้นไม่ทันมัน ไหลออกมาแล้วมันท่วมทับเราตายในบุดีนั่นหลายหลาคนปฏิบัติทำแล้วเจริญสติพออดีตความคิดอะไรอิจฉาไหลออกมาดัานถูกมันทับตายไหลมาแล้วเราออกไม่เป็นออกจากอดีตตัวเองไม่เป็นออกจากความชั่วความดีความอะไรนี้เราหลบไม่เป็นแล้วก็ติดอารมณ์บางทีก็ร้องไห้กวนกวายนรืบางทีก็ ดีใจชอบปรุงแต่งตามสิ่งที่มันเกิดมันก็จะจมอยู่แบบ น, นั้นออกไม่ได้นหน่วต้องเฉยต้องวางเฉยระลึกรู้เฉยเฉยกับสิ่งที่ปรากฏก็มาตรงที่ต้องระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละสติเนี่ยเป็นองค์ธรรม ใบไมก้กำมือเดียวสถิตินะทะลึรกรู้ที่สูงต่างไหนเธอยังความไม่ประมาทได้ถึงพร้อมต่อที่เราดูไปทะลึรกรู้อยู่ปัจจุบันนะั่นแหละนะนะใบไมก้กำมือเดียวคนหลายๆคนชอบไปปฏิบัติแบบนั้นปฏิบัติแบบนี้แปดหมื่สี่พันพระธรรมขันธ์กรรมฐานก็มีหลากหลายรูปแบบ เราพูดกันนะแล้วเราก็ยายามสมัยหาตามนั้นเอาไปมาก็เลยหลงประเด็นซะว่าจะปฏิบัติยังไงดีอันนั้นก็ถูกอันนี้ก็ถูกอันนั้นก็ผิดอะไรมากมายแต่ถ้าเราศึกษาพุทธพจน์เราจะเข้าใจเขาใบไม้กับมือเดียวคืออะไร แดหนสี่พันพระธรรมขันธ์ท่ปฏิบัติทำตามนั้นมันก็ให้หลงประเด็นแต่ไม่รู้ไปทางไหนทำไมชักช้าถ้าเริ่มที่สติความระลึกรู้เห็นไหมเวลาเขาปฏิบัติพองยุบก็ให้มีสติระลึกรู้พุทโธก็ให้มีสติระลึกรู้ยกมือซ้จวบกันระลึกรู้นับหนึ่งสองสากันระลึกรู้ภาวนาอาณาปณะสติระบบต่างๆก็ระลึกรู้ตัวระลึกรู้นั่นแหละ ตัวระลึกรู้นั่นแหละคือใบไม้กับมือเดียวอย่างรูปแบบเอาไประลึกรู้กับอะไรอะกับยกมือหรอกับการยืนเดินนั่งนอนเอาระลึกรู้อยู่กับอาการกายส่วนไหนก็ระลึกรู้เพียงแต่ว่าต้องมีความสามารถที่ต้องผ่านนิวอร์ได้อย่างคุณระลึกรู้คุณสร้างสติเนี่ยสติคุณจะต้องโตจนสามารถทะลุตัวง่วงไปได้ ถ้าออกจากความง่วงไม่ได้แม้เราจะวิธีการดีสวยงามถูกต้องเอาพระตไตรปิฎกมาอ้างกันนี่นี่นเขาเขียนอย่างนี้เนี่ยและลึกรู้แบบนี้ก็าตามแต่ผลของมันก็คือไม่สามารถที่จะดับนิวรธรรมได้จิตมันยังปรุงแต่งยังติดอารม์ยังเป็นทุกข์ออกจากความคิดความปรุงแต่งไม่ได้ออกจากความง่วงความเหงาไม่ได้ คือสติมันไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตตลอดทั้งวันนะ่ะเราเหมือนนรปลูกต้นไม้ไปไว้ในร่มเอาต้นกล้าไม้ไปไว้ในร่มมันไม่สามารถที่จะโตได้เพราะมันคลุมอึมคลุมอยู่นะแต่ถ้าปลูกในที่โล่งๆแจ้งๆมันก็โตขึ้นได้ไวฉชนได้ก็ดีนะ เราเลือกฝึกเอากรรำฐานคือเอาสติอยู่กับอาการของฐานทั้งสี่คือระลึกรู้หนสติแปลว่าความระลึกรู้ฐานแปลว่าที่ตั้งสติอยู่กับฐานอยู่กับที่ตั้งสอย่างคือระลึกรู้ดูกายเดินไปเดินมาเห็นกายเคลื่อนไหวก็ระลึกรู้อาการกายแบบไหนลุ่มหายใจเลยแต่นี่เหมือนกันมด ทีนี้ระ ล, ลึกรู้ต่อเนื่องเวลามันมีเวทนาเกิดขึ้นก็นรู้ว่าเวทนาถ้ามันเป็นมากเราก็ทำให้มันเบาบางซะเวลามันคิดก็รู้มันไม่คิดก็รู้แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนั้นระ ล, ลึกรู้ดูกายเวทนาจิตเอ๊ะรู้ว่าคิดอะไรเรื่องอะไรจิตในจิตเราเนะ เป็นนิวรณไม้เป็นอุปทานขันไมะเป็นเรื่องอายตนะไม่หรือว่าเป็นคุณธรรมเป็นองค์ธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นอย่างเริ่มมันมีสติและตอนนี้เริ่มเห็นโอ้สติเป็นอย่างนี้นะเริ่มมีสมาธินะเริ่มมีความสงบนะพวกนี้จะเป็นธรรมอารมณ์อารมณ์ที่มันเป็นธรรมจริงๆคือพวกเนี้ย แต่มันต้องสลัดตัวปรุงแต่งตัวคิดตัวอะไรออกไปก่อนถ้าสลัดพวกนั้นออกได้แล้วมาอยู่กับตัวนี้เนียเ้รียกว่าธรรมะเริ่มปรากฏในจิตเราจที่ว่ามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยมาหาธรรมะคือหาหาพวกนี้ยแต่ถ้าไม่ทําลายพวกนั้นพวกนี้ก็เกิดไม่ได้คือไม่ถากไม่ถางมันจะพืชดำเดิมหมองเดียเดียวปลูกพืชใหม่มันก็ขึ้นไม่ได้ สติสัมปชัญญะก็เหมือนกันมันงอกไม่ได้นะถ้าไม่ทำลายความคิดความปรุงแต่งความว่วงกงเหงาหรือเราไม่ใช้กระบวนการอินทรีสังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาเนี่ยมันต้องสลัดพวกนั้นออกก่อนพวกนี้จึงจะสามารถปรากฏเกิดขึ้นอาการของธรรมะที่นำไปสู่การรู้แจ้งนั่นแหละ เรียว่าธรรมะเริ่มปรากฏแล้วแต่ถ้าเรายังยุ่งกับตัวง่วงตัวง้องตัวเบื่อตั ว, ตวขี้เกียจตัวอะไรเนี่ยเรารีบสะสมตัวรู้ซะหรือเจริญสติให้เยอะๆสตินะธรรมะวิจัยวิทยะขยันกล้าสู้กับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นการสู้กับความง่วงความง่วงความเบื่อความขี้เกียจความอะไรความปรุงแต่ง ล, ลงความใคร่สนับสนอง ทำบ่อยๆเนื่องๆแล้วมันจะกลายเป็นสติล้วนๆทำให้มีใจวิริ ย, ยะปีติเกิดปิติเกิดความเบื่อปีนใจเกิดความโล่งความโปร่งเกิดปัดสจจิสงบ ม, สมีสมาธิสมาธิคือสติที่มันไม่หวั่นไหวนั่นแหละมันต่อเนื่องได้ดีรู้ตัวทั่พร้อมได้ชัดเจ น, นแล้วมันก็จะเกิดการวางอารมณ์เป็นอุเบกขาแปลว่าวางอารมณ์นะ วางเป็นไว่วางอารมณ์ไม่ใช่เฉยนะแต่รู้จักวางอารมณ์ปัญหามันก็อยู่ตรงนั้นแหละตรงที่เราต้องทำให้ไม่ได้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยอารมณ์กรรมฐานคือกลุ่มเนี้จะเรียกว่าธรรม า, ารมณ์นี่ในอารมณ์เจ็ดอย่างที่พูดไปเมื่อกี้พวกนี้ถ้าพูดอีกนิดหนึ่งก็คือยานสิบหกนี่ อันที่ก็คืออาการของปุณิที่มันปรากฏก็เรียกว่าธรมมาร ม, รมสติเราต้องวิ่งรอกแล้วต้องปรากฏตการสภาวะของสติที่มันเข้มแข็งทะลุไปแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันเ้ไปอย่างในเบื้องต้นสติไม่เคยเห็นความคิดเมื่อก่อนไม่เคยเห็นนะว่าความคิดเป็นยังไงก็เริ่มเห็นความคิดการเห็นความคิดก็เรียกว่านามารูปรู้นามารูป เป็นรูปเหมือนกันแต่มันเป็นนามมันผุดขึ้นมาเห็นมันลระดับไปเนี่ยนา ม, มารูปปริเฉทยานเห็นจิตเราเป็นอย่างนั้นหรือเห็นอ น, นิจจังทุกขงังกันตาคือเห็นความคิดมันเป็นทุกข์แต่ก่อนไม่เคยรู้ว่าความคิดเป็นทุกข์นะี่ยังสุ ข, ขกับความคิดโอ้เริ่มรู้แล้วทีนี้ความคิดเป็นทุกข์นะ มันขังชีวิตขังจิตขังใจเราแต่ถ้าจเจริญสติตั้งใจไม่สนไปเรื่อยมันก็จะเป็นอนิจจังมันดับเองเป็นแต่ว่าสั้นยาวก็แล้วแต่ความชอบความชังแล้วแต่ว่าปรากฏการในจิตเราจะเกิดมากน้อยเราพอใจไม่พอใจมันมากน้อยแค่ไหนนะอุปทานเราเยอะแค่ไหนสติเรามากน้อยแค่ไหนถ้าสติน้อยมันก็หลุดยาก มันไม่ค่อยเห็นมันเห็นว่าแต่สติมากๆตัวนามรูปก็ปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปนามรูปเกิดขึ้นดับไปเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นแบบนี้ดิเห็นใจรักเห็นเอ็นี้ชังทุกขังเลยเห็นมันว่างๆบ่อยๆอามันเริ่มว่างบ้างแล้วความคิดมาเห็นปุ๊บก็เริ่มดับไปเริ่มว่างจิตใจเริ่มเห็นความว่าในใจก็เรียกว่าสมมาสัญญาณ คืแล้วแตจะเรียกไปแบบไหนนะแต่จริงๆก็คือก็อย่างที่เราทำนั่นแหละที่อยู่ปัจจุบันนี่นะแหละระลึรกรู้ดูไปเรื่อยสลัดทิ้งได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าจะให้มันดีก็คือต้องอาศัยความต่อเนื่องของจิตเราเนี่ยให้มันชัดเจนให้มันจำใสขึ้นเรื่อยความต่อเนื่องนะปัญหามีสติใครๆก็พอฝึกได้อยู่ระลึรกรู้นี่ แต่ว่าสติต่อเนื่องไปลูกโซ่เนี่ยนี่ยากเหมือนมวยนีย่ใครขึ้นไปชกในวิธีก็ได้อยู่แต่ยืนครบห้ายกเนี่ยหายากเราว่าออกิเลสเี่ยมันจะประมาณสักห้ายกหรือประมาณเจ็ดวันประมาณสู้กับมันไหวไหมถ้าสู้ไหวสู้ได้เราก็จะเป็นผู้ชนะเราควบคุมสถานการณ์ได้ไหม ควบคุมการต่อสู้เนี่ยเราคุมเกมของการต่อสู้กับกีเดตช่วงเราที่ทําเนีำไหวไหมถ้าไหวจนครบยกเนี่ยผู้ชนะส่วนมากจะเป็นเราน้อยที่ถูกกีเดตมันลากไปแต่เราก็คือมีการชกกันเราก็ได้ข้อมูลนะถ้าสู้มันได้ไหวก็ได้ข้อมูลว่าเออหัวหน้าเราจะสู้กับมันยังไงเรารู้แล้วว่าเออความง่วงเนี่ยมันระดับไหน ความฟุ้งซ่านความปรุงแต่งระดับไหนเริ่มเห็นมันเพราะว่าเราเคยแพ้มันมาครั้งหนึ่งแล้วเวลาเราไปซ้อมมาสู้ใหม่เราก็จะดูออกตัวสติเนี่ยคือการระลึกรู้เนี่ยอันนี้คือแก่นคือแกนมันเลยสติมันโตมันก็ไปเป็นอย่างอื่นเป็นวิริยะเป็นปีติเป็นปัจจุบัเป็นสมาธิเป็นอะไรก็ว่าไป เป็นยานระดับนั้นระดับนี้ก็คืออะไรก็คือเรานั่นแหละก็คือสติเราถ้ามันโตขึ้นมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนเราเลยลึกรู้ใหม่ๆชีวิตเราแต่ก่อนก็เป็นเด็กมันแมก็โตขึ้นโตขึ้นคนเดิมนั่นแหละแต่วิวัฒนาการทางด้านสรีละมันก็โตขึ้นเรื่อยๆพอเรากินนานเป็นเหมือนกันถ้าสะสมตัวรู้ได้ต่อเนื่อง พัฒนาการทางด้านธรรมารมณ์เราก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, ตนสติมันต่อเนื่องมันไปดับทุกข์มันสติมันไปรู้ไปเห็นแก้งข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาเกิดทีเนี้ยเขาก็ไม่เรียกว่าสติเหมือนเมื่อก่อนละเป็นีย่าคนสมาธิละแต่ตอมาตั้งมั่นไปแม่นวันไว้เราสามารถดูได้เข้าใจไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิอันนั อันจริงจริงสติสมาธิปัญญาจะเป็นสภาวะเดียวกันแต่ว่าต้องเกิดจากการระลึกรู้การเข้าดูไม่ใช่เกิดจากการเพ่งกันจ้องนะอยู่บ่อยๆทีนี้ถ้าสติสัมปชัญญะมันมันม่นคงเข้มแข็งสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเข้ามาในใจเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นทุกข์ความทุกข์เข้ามาแล้วเราอึดอัดเราหุ่นหัน แต่ก่อนเราเป็นรหนึ่งอันเดียวกับกิเลสก็ไม่รู้สึกห ง, งุดยิดเราชอบมันโดยซ้ำไปชอบความคิดชอบความปรุงแตง่งแต่พอสติเรามั่นคงระดับหนึ่งเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยที่มันไม่ไปหน้ามาหลังที่มันทุกข์ระทมขมขื่นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเพราะเราไปติดยึดติดอยู่กับความคิดความปรุงความแตง่งยึดติดอยู่กับความหลง ในอารมณ์เราเองเราจะเริ่มเห็นมันแล้วเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นสติที่มีใหม่ๆเราจะเริ่มสลัดความคิดออกไปได้มันมีกำลังนะเมื่อก่อนไม่มีกำลังคิดแล้วก็ติดอยู่ในใจเรานา น, านแต่สติที่ฝึกอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันรู้สึกว่าสลัดความคิดทิ้งก็เป็นเร็วขึ้นเร็วขึ้น แล้วก็เริ่มมาความคิดเล็กๆ น, น้อยๆออกได้ไวแต่ความคิดที่เราชอบเนี่ยออกยากความคิดดีเราคิดว่าเป็นการเป็นงานเป็นโน่นเป็นนี่นั่นแหละคนไหนคิดมากคงซานมากนั่นแหละตัณหาจัดแล้วนะแบบพูดไม่เกรงใจเนยนะตัณหาก็คือความทยานเข้าไปในความคิดนั่นแหละทะยานเข้าไปในอารมณ์นั่นตัณหาคือความใคร่ความหยา เรื่องกามการมตัณหาภาวะตัณหาก็คือความทยานอยากเป็นอยากมีวิภาวะตัณหาก็คือความทยานอยากเป็นแล้วก็คืออยากเป็นอย่างอื่นนะคนในที่พอใจในสิ่งที่เป็นที่มีก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาภาวะแปลว่าพกแปลว่าภูมิแปลว่าจิตมันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ภูมิใจ แต่บางคนก็เบื่อหน่ายอันนี้อยากเป็นนั้นอยากทำโน้นอันนี้เขาเรียกว่าวิภวะทัศนาจิตมันก็จะติดแบบนั้นนั่นเป็นความใคร้ความทยานอยากของอารมณ์แบบนึนแต่เราก็ไม่เคยใ <sem linger ie> ส necessity. ่ใจที่ว่าเออไอนี้เป็นทุกข์นะเวลาเรามาปฏิบัติทำเห็นไหมมันฝากสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตนีมันลบฝากไปเลยฝ่าไว้ในใจเราฝากความรักความจังความโกรธความเกลียด เต็ไมไปหมดเลยอ่ะถ้าไม่จิตเราไม่มีพลังมันไม่เป็นซะในแบบว่าคิดจบก็จบใจอยู่นี่กายอยู่นี่กายอยู่ไหนใจอยู่นั่นมันไม่เป็นเรามาอยู่ที่นี่เราก็คิดถึงบ้านคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องเราไปที่อื่นเราก็คิดถึงประเทศไทยคือไปอยู่ที่ไหนก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มัน เป็นความผูกพันเนะ่เราไม่ได้ทำลายตัณหาความคิดในแทนที่จะใช้เฉยเฉยก็ไม่ใช่พอคิดเสร็จพวกพกการเป็นอุปทานผูกพันจิตเราคบกับใครอะไรอย่างไงเนียมันน่าจะจบไปชีวิตเนี้ยมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องกระทบปัสสาอาดับทันทีแต่นี้มันก็กลับเสน่หาอะไรคิดถึงทั้งที่ชีวิตเราก็เพียงธาตุ เป็นอาการของาธาตุธาตุสีขันธ์เป็นอาการของาธาตุของขันธ์มนุษย์ยู่ดกันรวมกันก็เป็นเนี่ยเป็นาธาตุสีรวมกันแล้วมีความรู้สึกนึกคิดปรากฏเกิดขึ้นขันธ์ก็คือจิตใจจิตใจเกิด จ, จ, จ, จากไหนเกิดจากธาตุสีนี่แหละรวมกันก็เป็นขันธ์มันเป็นอาการของรูป ประทารูปประขันท่านนั่นเองแต่เราก็ไปติดเราชอบมันเนะ่ยคือเราหลงหลงว่าอันนี้มันมันเป็นชีวิตของเราหลงปลูกพันหลงชอบหลงชังเวลามันแวบเข้ามาแล้วก็ติดใจติดใจหลงเข้าไปในความคิดอีกยิ่งคนไหนมีหน้าที่มีธุรกิหน้าที่การงานสะสมมาไว้ในใจบ่อยๆ ย, ย, ย, ยึดมัน่นถือมันเนี่ยคนนั้นจะออกยากมากเลย ออกจากความคิดตัวเองนะไม่ได้เพราะจิตมันไปยึดติดความทุกข์เนี่ยไม่ได้เกิดจากใครมาทำอะไรให้เรานะถ้าเราไม่ไปติดมันนะทีนี้ถ้าอยู่บ้านเราก็ไม่รู้จักว่าเราติดไม่ติดมากน้อยแค่ไหนนี่เราดูไม่ออกทีนี้เราออกมาลองดูออกมาเราจะรู้จักว่ากําลังของสติที่เรามีเนี่ยสลัดได้ไหมมันปล่อยได้ไมมันวางได้ไหมจิตใจเข้มแข็งพอที่จะทิ้งอารมณ์เป็นไหม ออกมาแล้วรู้สึกว่ามันอึดตัดนะทุกหน้าดูเลยความยึดมั่นถือมันเนี่ยโอ้พันแต่อย่างน้อยเราก็ได้เข้าใจอ่ะเข้าใจว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะโอ้หนักขนาดนี้เลยหรือชีวิตเราที่ไปหลงแบกมาเนี่ยหลงแบกหลงถือหลงยึดหลงติดมันมากสลัดทิ้งไม่ออกโยมห่วงบ้านพระห่วงวัดเนี่ย ไปไหนก็ไม่ได้นั่นกับหวงอันนี้ก็ห่วงคนทั้งหลายทั้งพวงถือว่าเป็นอะไรอะถ้าเราคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ถามว่าผิดกฎหมาย ไ, ม, ไ, ม, ยไม่ไม่ผิดเนี่ยผิดจริยธรรมไหมไม่ผิดถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นคนมีความกรตันยูเป็นคนมีศีลธรรมเนี่ยแต่ว่าไปนิพพานไม่ได้ เราคิดถึงพ่อถึงแม่ถ้ามาอยู่ที่วัดเนี่ยแล้วเป็นไงทุกข์ไหมทุกข์เพราะมันไม่ใช่สัจธรรมไอ้ความคิดถึงความเมตตาเราสมมุติกันขึ้นมาเฉยๆก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราคิดถึงนั่นแหละใครช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยได้คือเราต้องอยู่กับปัจจุบันเขาก็คือเขาเราก็คือเราตัวใครตัวมันะโดยปรมัตธสัจจะนี่มันเป็นทุกข์นะเ น, นี่ย เพราะมันไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเราไม่มีเขาเป็นแต่ธาตุเป็นแต่ขันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเฉยเฉยถ้าเรามองอย่างนี้ไม่เป็นเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนล้วก็จะทุกข์เพราะอนั้นเพราะความปูกผันเราสูงคืต้องเห็นเป็นความว่างในใจเนี่ยต้องว่างเลเลึกรู้มีสติเลยลึกรู้มองทุกอย่างไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นแต่ธาตุเป็นแต่ขันเฉยเฉย ถ้ามันจะรู้อย่างนั้นได้มันก็ต้องแจ้งเรื่องสมมุติในใจเนี่ยจิตที่มันสมมุติเรื่องนั้นขึ้นมาสมมุติเรื่องนี้ขึ้นมาสมมุติเรื่องไหนมาดับให้ได้ทุกเรื่องคือถ้าเราปฏิบัติทำเราเข้าใจหรือจิตมันเข้าถึงสติมันตั้งมั่นอยู่ในระดับที่รู้จักไตรลักษณ์เนี่ยเวลากระทบผัสสะปุ๊บเนี่ยเราเห็นอนนี้จรงเนี่ยคือเราจะรู้จักสมมติทันี ตัว น, นี้จังชัดๆนั่นแหละคือมันจะแจ้งเรื่องสมมุติแต่ถ้าสติระดับที่รูก้กายก็ยังไม่ชัดรู้ความคิดรู้อามณ์ไม่ชัดเนี่ยมันจะไปแจ้งสมมุตินี่มันมันแจ้งไม่ได้มันก็จะติดสมมุติอยู่นั่นแหละสมมุติทางทางรูปนะทางภายนอกสมมุติเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นพระเป็นโยมเป็นทหารเป็นตำรวจเนี่ยมันสมมติอันนี้แบบหนึง่ง อันนี้สมมติภายนอกนะฝึกเปลือบแต่ถ้าเห็นอนนี้จังเนี่ยจะเห็นสมมุติภายในในจิตเรามันจะแจ้งขึ้นมาแล้วมันจะสลักกอกไม่ได้คือเห็นจากข้างในออกไปข้างนอกธรรมะเนี่ยแต่บางกรณีนี่เห็นจากข้างนอกแล้วเข้าข้างในมันไม่ค่อยแน่นบางทีก็มองเห็นนะนั่นก็เป็นสม่ติต่อมาก็ว่าเห็นทางจิตยมันจะแวบเข้ามาที่ใจคือเป็นในสองกรณีได้ทั้งข้างนอกเข้ามาข้างในและจากข้างในทะลุไปข้างนอกก็มี แต่ถ้าเห็นจากข้างในชัดเจนเนี่ยมันทะลุไปข้างนอ้นมันจะชัดแจ้งเลยมันจะรู้จักสมมุติจริงๆนะและจะวางสมมุติได้จริงๆคนนั้นตายก็รู้อยู่เป็นสมมติคนนี้เกิดก็รู้อยู่ว่าสมมุตินแต่ว่าจิตมันจะผูกพันถ้ามันไม่แจ้งเลยเราธรรมะมันจะไปอยู่ที่ปากแต่มันไม่อยู่ที่ เขาจึงอยากให้เราแจ้งให้สติในระดับการรู้แจ้งแจ้งไหนแจ้งระดับสมมุติก็ยังดีมันจะปล่อยวางอะไรได้เยอะเลยมันเป็นเพียงแต่รูปแต่นามอย่างนั้นจริงๆเลยนั่นอาศัยการตัดความคิดบ่อยๆสลัดบ่อยๆเห็นบ่อยๆปล่อยวางด้วยบ่อยๆบ่อยเข้าบ่อยเข้านั่นแหละการเรียนรู้อนิจจังรู้จักไตรลักษณ์การเรียนรู้สมมติภาวะทางจิตแบบหนึ่ง ไม่ใช่ไม่มีผลแนะ่ที่ทําเนี่ยเดินไปความคิดเกิดขึ้นก็นตัดทิง้งปล่อยวางเรื่อยๆฝึกแค่นั้นแหละอย่าไปฝึกอะไรมากไม่ต้องไปหาดูอะไรมากมายมันคิดรูนดีตัดทิง้งกลับไปอยู่ปัจจุบันเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆไปไหวเข้าไหวเขาปัญญาการดับทุกข์นี่มันมันไม่มากปัญญาดับทุกข์มันไม่เหมือนปัญญาทางโลกนะต้องคิดนั่นคิดนี่ต้องปรุงต้องนั่งปัญญาดับทุกข์คือรู้เฉยๆ ทำเป็นไม่รู้เฉยๆรู้มันจะเฉยๆมันปรงก็รู้มันไม่ปรงก็รู้ตอนนี้มันไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรก็รู้มันไม่คิดอะไรนีรู้จักจิตจิตตาลูกปัสสารู้มันไม่คิดอะไรรู้แล้วตอนนี้ไม่คิดอะไรตอนนี้มันคิดออรู้แล้วมันคิดเนี่ยคิดอะไร่เป็นนิวรธรรมนะเนี่ยบางทีก็มีแต่ปีติเอาเดินจุกรมไปสามวันห่าวันมีแต่โล่งแต่โปลงเอาเนี่ยธรรมารมณ์ปรากฏเกิดขึ้นแล้ว ที่มันสอาดในจิตเนี่ยเราเห็นสภาพธรรมมันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นแาลว่าแบบนี้บางทีถ้าเราไปปรารถนาไปยินดีก็อีกแล้วมันก็ไม่ก้าแน่เพราะว่าตัวอย่างมันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่รู้เฉยดูเฉยเห็นคนะงนเป็นอนี้ของมันเองเนาะจะดูไปดูดูการการยึดกับการวางนในจิตเนี่ย มันยึดยึดแบบไหนมันวางวางแบบไหนแต่ว่าอาการที่มันสลัดหลุดพัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งแจ้งมาแต่ละครั้งเขาถึงเรียกว่าเป็นญาณวิปัสนาญาณขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สิบห้าสิบหกสิบแดสิบเก้าอะไรหรือว่ามันเกิดการะระลึกรู้แจ้งถอยกับอนุโลมปฏิโลมเขาก็เรียกว่าเป็นญาณขันนันขันนี้จริงๆก็คืออาการของสตินะครับ สติรละลึกรู้เนี่ยดังนั้นไม่ได้หมายเขาว่าจะให้มันนิ่งนะปฏิบัติทำคือเฝ้าระลึกรู้ดูอาการของมันแล้วเกลียดความคิดเนี่ยถ้าเราไปกดไว้ไม่ให้มันทํางานเราก็ไม่รู้เลยว่าเอ๊ะทำไมมันจึงคิดเนี่ยทำไมมันจึงปรุงแต่งทาไมจึงผูกพันขนาดนี้เราไม่เห็นกลไกมันแต่ถ้าเราปล่อยให้มันทํางานเราจะมีโอกาสได้สังเกต แต่ตัวสังเกตเนี่ยปัญหาคือตัวระลึกรู้เนี่ยคุณต้องตั้งมันดีๆระลึกรู้ให้ต่อเนื่องดีๆมันึ้อย่างชัดเผาทุกตัวเลยถ้ามันชัดนี่ที่มันเข้ามานะเผาความคิดเผาอารมณ์เนี่ยเรื่ปรากฏเกิดขึ้นมาเราเผาทุกอันตัวสติที่ฝึกเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องด้วยทั้งสมถะทั้งวิปัสนานะ เลยลึกรู้อยู่ปัจจุ บ, บันไปตั้งมันไปในขณะเดียวกันก็ถ้ามันดูดูความคิดเป็นก็วิปัสสนามันก็เกิดเลยลึกรู้ไอ้ที่ยกมือสร้างหยดไม่ใช่เลลึกรู้ความไม่ใช่ไม่เลยลึกรู้เห็นความคิดนะอย่าเลยยกมือไปในห่วงเห็นไหมเห็นคิดเห็นไหมเห็นเบื่อเห็นไหมเห็นเดินไปเดินมาเลลึกรู้ต่อเนื่องเห็นไหมเห็นเนี่ยคือมันเห็นหมดมันเป็นวิปัสนาไปในตัว แล้วก็เฝ้าดูอเวลากระทบต่างๆเจ้จะมูดดินกายความคิดความปรุงแต่งที่พุทุมมาจากจิตตัวสติที่ตั้งมั่นในระดับที่เป็นสมาธิเนี่ยภาวะเนี้ก็จะเผาอารมณ์มันั้นเผาวความปรุงแต่งกันนั้นที่มันแว บ, บขึ้นมามันจะเผาเผาเผาพอมันเผามันก็สุกเมื่อก่อนเป็นวิปัสสนู แต่พอมันแจ้งก็เป็นวิปัสนาแต่ก่อนเป็นกิเลสตัณหาแต่พอพ่นพอมันผ่านกระบวนการที่เราตั้งสติเอาไว้ตรงนั้นและเรื่รู้ตลอดเนี่ยมัน ก, ก็กลายเป็นธรรมะเหมือนปลาดิบอโยนลงไปในหม้อที่มันเดือดอยู่ก็กลายเป็นปลาสุกควายทั้งตัวทิ้งลงในกระทะใหญ่ๆเนี่ยเอา้า กลายไปกินได้เลยเมื่อก่อนเป็นกิเลสดี๋ย่มันต้มแล้วมันเป็นธรรมะสติเรามันทําหน้าที่ในการเพลี่ยนเพ่งเผากิเลสมันวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่แล้วละ่ะกิเลสเนี่ยเดี๋ยวมันเข้ามาเดี๋ยวมันออกไปเห็นไหมความคิดนะ่ะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกแต่มันเข้ามาหนอกแล้วมันก็เหมือนเดิมบางทีเข้ามาในใจแล้วออกไปในโตกว่าเดิมหรืซ้ําไปเพราะอะไรเพราะว่า กระบวนการการพัฒนาสติสัมปจนิะไปสู่สติปัฐานหรือมหาสติปัฐานสูตรหรือการระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมจนเกิดวิปัสนาญาณจากสติแบบสัญชตาตญาณเนี่ยมันไม่พอหม้อที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยคือระลึกรู้ก็คืออะไรรู้เอาอะไรรู้เอาใจนั่นแหละเราระลึกรู้เนี่ยมันไม่แข็งแล้วมันไม่ร้อนพอพอไม่ร้อนพอความคิดมันวิ่งเข้ามามันมาชุบตัวมันออกไปมันไล่กว่าเดิมดี แต่ถ้ามันร้อนพอมวิ่งเข้ามามันตายเลยพอเราเห็นปุ๊บมันกระดับทันทีเห็นปุ๊บมันกระดับอ้าวมันมีอนุภาพในระดับที่ดับความคิดกับความปรงแต่งได้ตัวไหนเกิดขึ้นมาอยากให้มันเกิดขึ้นเยอะๆทีน่นีความคิดเอาความคิดเว้นนั้นมาดับได้ความคิดแบบเพียรนี้มาดับได้ดับได้อยู่บ่อยๆเข้าบ่เข า, าก็าหายไปอ่มันไม่มีเพราะอะไเพราะไอ้ความเพียนเพ่งเผาเนี่ยตัวสําคัญ มันไฟฟ้านะสองยสิบตึ้งเข้าไปในบัลาดตัว transform มันเปลี่ยนทนทีเลยอ้าวลดลงมาสี่สวัตสามสิบหกวัตสามสิบแปดไปใช้งานได้ไม่ใช้งานได้เลยทีนี่เหมือนกันความคิดที่พุ่งเข้ามาเป็นกิเลสตัณหาเนี่ยถ้ามีตัวนี้รักษาไว้ไมันจะกลายเป็นปัญญาเราเราจะลดความความเข้มของมันแต่ก่อนตัณหาจัดนะเราจะทำํำโน่นนี่เราทำธุรกิจมาฟงสัน แต่พอผ่านกระบวนการกลั่นกรองตัวนี้ผ่านหม้อปแปลงมาเนี่ยมันจะควบคุมในระดับที่เป็นธรรมะเป็นหน้าที่ในการปฏิบัติต่อตนเองต่อสังคมสันติภาพมันเกิดในใจแล้วไหลไปสู่บุคคลสู่องค์กรส่งเลยเพราะว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของสติเราเราทาอะไรก็ได้เพราะเราไม่ทุกข์แล้วเราไม่คิดมาก เราขอใช้เราทำอะไรเราก็ทำได้เพราะเราไม่คิดว่าเราจะเป็นทุกข์เราทำได้ที่ทำนอกนั้นที่เหลือมันก็ไม่ทำร้ายเราความคิดความปรุงแต่มหน้าที่ ก, การงา น, เ, นเพราะเราควบคุมมันได้ชันใดก็ดีนะทั้งโลกทั้งทรรจะเหมือนเหมือนกันทำไงอะ่ะเราจึงจะเผามันได้เผากิเลสให้มันเป็นธรรมะให้ได้ ในเซนเขา้อกว่ น, นมไม่มีพุท ธ, ธะไม่มีตัณหาตัวตัณหานี่คือตัวพุท ธ, ธะตัวพุท ธ, ธะนั่นคือตัวตัณหาถ้าเราอยากได้อยากรู้ก็เป็นตัณหาซะถ้าเผาตัณหาเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นพุท ธ, ธะเนื้อดิบๆเวลาเผาก็กลายเป็นเนื้อสุกเหมือนกั น, นะความคิดความปรุงแต่งเนี่ยอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปโกรธเขา เวลาเขาเข้าเขาออกเรามองอย่างเป็นมิตรเรียนรู้มันเนอเข้าใจมันโอ้เป็นยีน้เนาะมาก็ดูมันคือมันเกิดนี้ก็รู้มันดับไปนี้ก็รู้เข้าใจเข้าใจถ้ามันยังไม่มดับไม่ได้ก็เอาไม่เล็กเกรู้ไมเดินกลับไปกลับมาแก้มันให้ได้แต่ว่าปัญหาก็คือตัวง่วงเนี่ยนะหลายหลายคนก็จนเต็ม คือเวลาตัวง่วงเข้ามาเนี่ยมันเหมือนดับสวิตไฟทั้งหมดเลยในห้องนว่าจะดูอันนั้นหน่อยดูอันนี้หน่อยก็ดูไม่เป็นเพราะไฟมันดับมืดแบบกำตากลมลูกตาเลยไม่เห็นนลยนั้นก็นเลยลึกรู้นะไม่อย่าไปกลัวกลัวโอ๊ยกูจะไม่ทันเพื่อนละมั้งกูจะมาสู้กับความง่วงกูคิดหาธรรมะดีกว่าว่าตายปรดได้พลาดเนี่ยอย่าไปคิดหาธรรมะ พยายามระ ล, ลึกรู้มันอยู่ระหว่างตัวงว่วงแก้ตัวงว่วงให้ได้มันเบือ่อแก้ตัวเบือ่ออะไรเกิดขึ้นแก้ตัวนั้นแต่ที่สําคัญก็คือสติเนี่ยสนใจที่จะเอาฟืนใส่ไฟเนี่ยอย่างตอนเย็นนี่บางทีไฟมันจะดับนะประมาณนี้หลงตา ก, ก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้กําลังใจไฟมันก็ไม่ดับพรุ่งนี้กูจะลองอีกเนี่ยวันนี้กไ็ไม่ไหวและมั่งกูตายแล้วเเป็นแบบนี้ ไม่รู้แหละคนนั้นก็รู้คนนี้ก็รู้กูยังไม่รู้กูลาดีกวา่าแต่พอใส่ฟืนเข้าไปหน่อยก็ดีขึ้นโยมก็ไปใส่ความอดทนเข้าไปใส่สติเข้าไปใส่วิริยะเข้าไปบางทีก็หลอกตาพวกนี้เอาอาหารอร่อยอ่อยให้มันเห็นเนี่ยโกูอยู่อีกมันยังอร่อยอย่เนี่ยคือหลอกไปหลอกมาเขาเรียกว่าใช้ตันหาใช้ตันหาเพื่อดับตันหา ศาสนาดับศาสนาก็มีนะักสมัพุทธการก็มีเยอะแยะไปจ้างลูกไปปฏิบัติธรรมก็มีอย่างพนันท่าน้องชายพระพุทธเจ้าเลยบวชเพราะอะไรเพราะวะ่าเพราะพระพุทธเจ้าว่จะขอเมียให้ถ้าตั้งใจปฏิบัติธรรมขอก็เอาสวยกว่าเดิมอีกสวยกว่าเมียตัวเองที่มีอยู่แล้วโอ้ดังนั้นก็ลองเสียงดูดิที่ปฏิบัติธรรมแต่สุดท้ายก็คือก็เข้าถึงธรรมนะ เพราะท่านเห็นว่าไอจิตเนี่ยความรักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไปเรื่อยเรื่อยเห็นคนนี้กับรักเห็นคนนั่นกับรักรักไปเรื่อยเรืยมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเห็นเห็นตัณหาที่ปรากฏเกิดขึ้นจากจิตอันนี่ยจนถ้าท่านเกิดปัญญานเนี่ยเห็นเวลามันไม่มีอะไรพอเราทําให้มันว่างเป็นรู้อยู่มันไม่มีความรักความจะเห็นใครก็เออก็เหมือนเดิมก็เป็นธรรมชาติเนี่ยใจมันก็ปกตินั้นนั่น อันนี้ก็เหมือนกันเราว่าปฏิบัติทำก็พยายามเจริญสติให้มันมีสติที่มันมันเป็นเป็ น, ปนระดับฌานให้ได้สติเนี่ยฌานแปลว่าเผาเผาอะไรเผาความคิดนั่นแหละเผาความปรุงแต่งนั่นแหละความคิดเข้ามาก็เผามันแต่ขณะที่มันยังไม่เกิดนะยังเผามันไม่ใหม่ ก็เลยลือกลุกอยู่กับกายใหม่ใส่ฟื้นเข้าไปกับกายนีย่เป็นกายยานุปัสนาในเลือกลุก<ม>ยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดเคลื่อนไว้อดีญบทสออดีบดย่อยอาณาปาอะไรก็ตามพยายามได้ลึกรู้บางทีก็สนทนาธรรมศึกษาทำตรงนั้นตรงนี้เลยแต่เนี้ยเป็นเชื้อคนนั้นว่าให้คนนี้สอนคนนั้นแนะนำก็เป็นการใส่เชื้อเพลิงเข้าไปของจิต เป็นกะะัลยาณมิตรบ้างอะไรบ้างเราได้ยินได้ฟังนี่ยมันช่วยช่วยเติมชเชื้อเข้าไปเมื่อเกิดความพึกเขิมกว่าความตั้งใจใ น, นการที่จะเผาไปเรืเรื่อยๆๆเผาข้างนอกเข้าใจทีนี้ก็เหลือแต่ข้างในข้างในก็คือไอ้ที่อยู่ข้างในอ่มันเหมือนจะควบคุมได้ข้างในนะแต่ข้างนอกเนี่ยมันควบคุมไม่ได้แต่และวันมันกระทบกระทบกระทบ แต่เราเรารู้แจ้งอันหนึ่งมันก็จะเข้าใจไปทั้งหมดรู้แจ้งทางตาโอ้มันเกิดนี้นะต่อไปทั้งหูทั้งจมูกนี้จะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าสติเนี่ยมันต้องให้ปรากฏขึ้นชัดๆสักระยะาหนึ่งนะแล้วมันจะถอนตัวเองออกมาโดยโดยธรรมชาติมันกับตาหูจมูกเราไม่ต้องไปตามเลยลึกรู้ตามตาตามหูตามจมูกไม่อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละ มันจะชัดเจนขึ้นมาของมันเองเหมือนกับที่เราสามารถเจริญสติแล้วเกิดปัญญายาณรู้แจ้งในจิตเราอ่ะที่มันมีอุปท า, านคุมไว้ยังไงเนี่ยสว่างแจ้งขึ้นมามันก็จะเท่าๆกันความโลภความโกรธความหลงเนี่ยจะมีอานุภาพคือถ้าเราแจ้งตัว น, นี้มันก็ลดลงห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้านเหมือนๆๆกันหมดนะแต่จะไม่เกินนั้นพอแจ้งอีกเอามันก็จะลดลงเท่าๆกันมันจะลดลงลดลงลดลง คือมันสว่างเข้าไปข้างในสว่างในใจใจเราเนี่ยที่มันมีปัญหาเอะไรมันไม่แจ้งมันไม่สว่างมันมืดแล้วก็กลายเป็นความเข้าใจผิดปเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดพอเห็นผิดมันก็ยึดติดอ่ะมันคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ติดความคิดอะไรก็ติดความคิดติดความคิดติดความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐินะเห็นว่าสิ่งที่คิดออกมานะี่ยเป็นเป็นความสุขเป็นคุณ แต่พอปฏิบัติทรเรนี่ยเจริญสติแล้วมันจะเห็นว่าทุกก็คือทุกสุข ก, ก็คือสุขไม่ทุกไม่สุข ก, ก็เป็นอย่างนั้นนอะจริ ง, รงมันมันเป็นอนิจจังมันจะเห็นแบบนั้นเลยจริงๆเป็นอนันตาทุกอย่างเป็นอนิจจังเกิดมาแล้วก็ดับไปทุกอย่างไม่มีตัวตนเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสลายอยู่เนี่ยถ้าเห็นความจริงอย่างนี้มันก็ถอยที ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรก็เหลือแต่ว่าเออทาหน้าที่อยู่กับมุงกับพวกไปตามโลกทำธรรมชาติธรรมดาเฉยๆไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากมายเนาความยึดมั่นถึงมันมีมากก็ต้องทํามากยึดน้อยก็ทําใน้อยไม่ยึดเลยก็คือสักแต่ว่าไม่ใช่ไม่ทํานะทําแต่มันไม่รู้สึกว่ามันต้องทาแล้วมันจิตนี่มันไม่รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอะไรในสิ่งที่ทา คือแค่ๆมัเป็นความพอดีโดยธรรมชาติมันข่างในแต่ถ้าเรายึดว่าอันนั้นดีอันนี้ถูกทําอะไรเราก็ต้องทําให้มันดีทาอันนี้ทําให้มันถูกก็จะยึดมันต้องถูกถ้าไม่ถูกก็ผิดอีกแหละแต่ปฏิบัติธรรมนี้มันไม่พิยึดอะไรมันไม่ยึดผิดยึดถูกทํำสักแต่ว่าทำสักแต่ว่ า, วาผ่านไปเฉยๆฉะนั้นปัญหาเนของท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมไปอยู่ตรงที่ ไม่ผิดสักอย่างนะเราจะนึกคิดพิจารณาโดนเดาวิตกวิจารอะไรยังไงเพ่งจ้องใครก็ไม่ผิดสักอย่างเลยเพียงแต่ว่าถ้าอยากให้มันถูกจริงๆเนี่ยเป้าที่มันตรงตรงที่เรียกว่าอุชุ ป, ปฏิปนโนเนี่ยก็คือเลอะลึกรู้อยู่กับกายกับจิต ลึรู้รู้สึกตัวตลอดเวลานั่นแหละอุชุปฏิปันโนบางทีก็เป็นยายะปฏิปันโนปฏิบัติแบบอ้อมออแบบกระจายแบบขยายขยายความรู้สึกนึกคิดนั่นออกเขาเรียกว่ายายะปฏิปันโนสามิจิปันโนก็ทาให้มันถึง ทำโยธาเพามันสมควรสมควรเก่ ก, การรู้แจ้งเห็แนแจ้งเป็นสามีจิตปฏิ ป, ฏป น, นุนั้นพุทธภาวะแต่ละอันแต่ละอันก็คือมันมีอยู่แล้วในเรานะเราสามารถรู้เห็นหรือสัมผัสได้เพียงแต่ว่าทำให้มันตรงตรงทำให้มันถูกทำให้มันถึงแต่ถ้าเราไปนึกคิดไปพิจารณาโดนดอาวแอนอ น, นิม มันก็ถูกอยู่แต่ว่ามันมันไม่ใช่อุชุปฏิปนโอมมันอ้อมๆมันอ้อมค้อมไปอันนี้เอาตรงๆมันคิดขึ้นมาก็ดูมันมันง่วงมากก็ดูมันเบื่อมากก็ดูมันเนี่ยทำแบะของพระเจ้าจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วเกิดการรู้แจ้งเลยเลยไม่ต้องอุปมงคลมาอันนั่นนี่เข้ามาให้ใจมันมาปรงมาคิดมานึกคือเอาตรงๆเลยเนี่ยจะเป็นเป็น ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นสวากาตธรรมตอนเย็นวันนี้ตาก็องผู้นี้ฟังประมาเนี่ยนะไปพักผ่อนนั่งสร้างจะวะก่อนดูด้วยเนาะก่อนนอนนะนอนไปกําหนดรู้ดูลมหายใจบไปไม่ใช่เดินคุค ว, วงคู่กันไปแล้วก็คุยกันไปตัง้งแต่ล้างถ้วยนี่เลยอันนี้ก็สติมันก็หายหมดแล้วเนี่ย ทำหลายวันก็ไม่ได้อะไรเกิดชนะตายมาเจอกันอีกเลยงงๆกนีองก็อยู่ใครอยู่มันน่ะแล้วกำหนดรู้ไปเขาไปนอนก็เหมือนกันกำหนดรู้เวลานอนระลึกรู้จนทํ้งวันหลับลงพอตื่นมาก็ระลึกรู้จับเป็นสิพันก็รู้ล้างหน้ารู้พับผ้ารู้พยยามระลึกรู้ ด้วยความรู้ตัวต่อเนื่องนี่แหละคือการสะสมสติเพื่อให้มันเกิดพลังเหมือนผ้าเนี่ยมันเกิดจากได้จีวนเนี่ยมีลูกขี่เส้นนะเขามาใส่เนี่ยแต่ก่อนก็นเรียกว่าได้นะแต่พอมาใส่นี่เรียกว่าเป็นผ้าเป็นผืนเรียกว่าจีวอนาสมมติมันเข้าไปเหมือนกันได้นั่นแหละคือสติแต่พอรวบรวมมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นสมาธิเนีย เอาโมโหมสบายเป็นปัญญาเนี่ยจริงๆก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่มันลหลายๆเส้นการร้อนกันหนาวได้ด้วยในะั่นเีเนีิยเสริมความงามก็ได้ด้วยสติก็เป็นแบบนั้นแหละที่เรามาทําเนี่ยสะสมแระลึกรู้ให้มันต่อเนื่องไม่ใช่ตอนกลางวันก็หาได้สามเส้นเดินจุกมรู้ตั้งแต่ท่านบอกว่าเอาแตง่งตีละกังเริ่มรู้สึกตัวนอกจากนั้นก็ไม่รู้สึกเลย มากินข้าวเพลินไปกับแตงไห้ที่หนึ่งรู้สึกตัวตอนเย็นเขาข้อละครังโอ้ยขา อ, อย่างชั่วหนึ่งกู ค, คิดทั้งวันเลยวันนี้ก็ได้สามแตงได้สามรู้ได้สามเส้นพอมากลางคืนก็ไม่กําหนดรู้อีกเอาอีกงละทีเนี้ยฉันต้องมันต้องเพียรพยายามสูงนะที่จะต้องทําตัวรู้นี้ให้มันต่อเนื่องใ้ความรู้ต่อเนื่องนั่นแหละคือจะนําไปสู่วิปัสสนาญาณอย่างแท้จริงนะอนโมตนาสาธุกับท่านต่งางๆ อันนี้สงผลของการปฏิบัติาการได้ยินได้ฟังจงเป็นความเข้าใจขเข้าใจนำไปสู่การประพฤติจริงให้เกิดสติขึ้นจริงๆเกิดสมาธิขึ้นจริงจเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นจริงจริแล้วไปนำสู่การรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยกันในเวลาใกล้ี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเดิน